ได้ ล, ลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของคฤหัดอย่างที่สองชุมชนอิสระโดยนามธรรมได้แก่สาวกสงฆ์หรือที่บางทีเรียกว่าอาริยสงฆ์อันประกอบด้วยอริยชนทั้งคฤหัดและบัณฑปชิตที่แสกซ้อนและลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของมวลปุตุชนสารัฐานนี้เท่ากับบอกว่าสังคมอุดมกติ